การมีศรัทธาในพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ถือว่าเป็นการได้โชคคาลอันมหาศาลที่มีคุณค่าราคามีประโยชน์ยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ที่มีราคาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประโยชน์สุขที่จะได้รับจากพระรัตนตรัยนี้เหนือกว่าทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้แต่การที่จะได้รับประโยชน์จากพระรัตนตรัยจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้อง มีศรัทธาแบบบัญญาคือมีความเชื่อที่ตั้งอยู่บนความรู้รู้ความจริงของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นอะไรทำอะไรให้กับเราได้บ้างถ้าเชื่อแบบไม่รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นอะไรทำอะไรให้กับเราได้บ้างก็จะเป็นเชื่อแบบงมงายไปเมื่อเชื่อแบบงม ง, งายประโยชน์สุขที่จะได้รับจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเชื่อว่าถ้าต้องการสิ่งใดขอได้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้ลูกก็อธิษฐานขอลูกอยากได้สามีอยากได้ภรรยาก็อธิษฐานขอสามีขอภรรยาบางคนอยากถูกลอตเตอรี่ก็อธิษฐานขอจากพระพุทธพระธรรมพระสงค์บางคนอยากจะแ้วคคาดปลอดภัย เวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเชื่อแบบนี้เรียกว่าเชื่อแบบงมงายเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถมอบให้กับเราได้เนี่ยดังนั้นถ้าเชื่อแบบงมงาย ก็จะไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมอบให้กับเราเราก็จะไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เป็นหมื่นล้านแสนล้านดังนั้นสิ่งที่เราต้อง ทำก็คือสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อมารับรองศรัทธาความเชื่อของเราเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราจะได้รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะทําอะไรให้กับเราได้บ้างจะมอบอะไรให้กับเราได้บ้างและวิธีที่เราจะได้สิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะมอบให้กับเรานั้นเราต้องทำอะไรบ้างออ น, นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันถ้าเราอยากจะมีศรัทธาที่ถูกต้องเป็นสัมมาศัทธาออความเชื่อที่ถูกต้องต้องมีมีปัญญาความรู้เป็นองค์ประกอบถ้าเชื่อแบบไม่รู้ ก็เรียกว่าเชื่อแบบงมงายก็จะไม่ได้ประโยชน์สึกที่พึงจะได้รับดังนั้นเราต้องมาเสริมศรัทธาของเราด้วยปัญญาพวกเราเป็นชาวพุทธเราเกิดมาในครอบครัวของชาวพุทธเราก็ถูกสอนให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันแต่ เขามักจะไม่สอนว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ทําอะไรให้กับเราได้มอบอะไรให้กับเราได้เราก็ยังอาจจะเชื่อแบบงมงายก็ได้อาจจะเชื่อตามที่เชื่อกันมาว่าอยากได้อะไรก็ขอได้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ต้องมา เปลี่ยนศรัทธาของเราจากศรัทธาอันงมงายคือศรัทธาที่ปราศจากปัญญาให้มาเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาการที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นอะไรทําอะไรได้บ้างนี่คือ วิกระบวนการของการเสริมสร้างศรัทธาให้เป็นศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงต่อไปเพราะศรัทธาที่ตั้งอยู่บนความงมงายนี้อาจจะเสื่อมได้ทุกเวลานาทีบางทีมีาศาสนาอื่นมาสั่งมาสอนให้เชื่อว่าดีกว่ า, าศาสนาที่เรากาลังนับถืออยู่ เมื่อฟังแล้วก็อาจจะหลงไหลไปกับการโฆษณาของศาสนาอื่นก็อาจจะทำให้เปลี่ยนศาสนาได้เพราะว่าศาสนาที่ตนเองเชื่ออยู่นั้นยังไม่ได้ให้ผลอย่างที่ตนเองคาดหมายไว้อยากได้นูน่นอยากได้นี่ก็ยังไม่ได้สักทีนี่มีศาสนาอื่น มีลัทธิอื่นมาสอนมาบอกว่าทำตามศาสนานี้ทำรับทำตามลัทธินี้แล้วจะได้อย่างโน้นได้อย่างนี้ขึ้นมาศรัทธาที่เคยมีอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> ก็อาจจะเสื่อมไปก็ได้หรือบางกรณีก็คือเช่นอยากได้สามีแต่สามีนับถือศาสนาอื่น ถ้าอยากจะได้สามีก็ต้องเปลี่ยนศาสนาในเมื่ออยากได้สามีขอจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอื่นแล้วก็จะได้สามีก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนศาสนาก็ได้เปลี่ยนศรัทธาความเชื่อเพราะเมื่อ ส, สิ่งที่เราเชื่อไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ เราก็อาจจะเปลี่ยนเพราะว่ามีสิ่งอื่นให้เราเชื่อแล้วทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้แต่ถ้าเรามีปัญญามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อให้มีใครเอาอะไรมาล่อมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีทางที่จะ เปลี่ยนศรัทธาความเชื่อของเราได้นี่แหละคือการเสริมศรัทธา <c oughs> จากศรัทธาที่ยังไม่แน่นอนมัน่นคงให้กลายเป็นศรัทธาที่มัน่นคงและเป็นศรัทธาที่จะยังประโยชน์ให้กับผู้เชื่อได้อย่างเต็มร้อย ต้องมีปัญญาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรามีศรัทธาเรามีศรัทธาในพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> เราก็ต้องศึกษาว่าพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอะไรทำอะไรให้กับเราได้แล้วเราจะต้องทำอะไรเราถึงจะได้รับสิ่งที่พระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์จะมอบให้กับเราได้ สิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะมอบให้กับเราได้ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ต่างๆที่เราทุกข์กันอยู่ในขณะนี้จะหายไปหมดและความทุกข์อื่นๆที่จะตามมาก็จะไม่มีอีกต่อไปคือนี่คือความทุกข์ทางใจ คมทุกขัทงใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ได้แก่ความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันนีความทุกข์ที่เกิดจากการต้องประสบกับสิ่ง หรือบุคคลที่ไม่พึงปรานาะความทุกข์เหล่านี้แหละที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำหรือสอนให้พวกเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไดนะ้และการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอน ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาทําความเข้าใจให้ถูกต้องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้เราทําทําเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ให้เราขอให้เราร่ํารวยขอให้เราได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้ให้เรา แคลคาาปลอดภัยจากภัยต่างๆอันนี้ไม่ใช่ศาสนาขอเป็นศาสนาธรรมคำว่าธรรมก็คือกรธรทมต้องมีการกระทำถึงจะทำให้เกิดผลที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เสนอได้มอบให้กับเราคือการสิ้นสุดของความทุกข์ทางจิตใจ เพราะเราจะสามารถกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากการพัดพาคจากกาันเกิดจากการประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันการที่เราจะเชื่อและปฏิบัติตามได้เราก็ต้องมาทำความรู้จักกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นรายรา ย, รายองค์ต่อไปองค์แรกที่เราต้องศึกษาก็คือพระพุทธว่าพระพุทธนี้คืออะไรเป็นอะไรทำไมท่านถึงสามารถที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เราก็ต้องมาดูที่คำว่าพระพุทธ พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แปลว่าอะไรเรามีพระพุทธชื่อเต็มของท่านเรียกว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี้แปลว่าผู้สิ้นกิเลสผู้ที่ได้กาจัดกิเลสที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจ เรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ส่วนสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้รู้ทางสู่การกําจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นเองด้วยตนเองสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ผู้สิ้นกิเลสด้วยการค้นพบความรู้ที่ จะพาไปสู่การกำจัดความทุกข์ต่างๆกำจัดกิเลสต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปด้วยตนเองคือไม่มีใครสั่งใครสอนเพราะความรู้แบบนี้ไม่มีใครรู้ในโลกนี้ไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็พยายามไปศึกษากับบรรดาผู้รู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในสมัย ที่พระ อ, องค์กำลังปฏิบัติแต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีทําให้จิตใจสิ้นกิเลสหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระ อ, องค์ก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยพระ อ, องค์เองทดลองผิดทดลองถูกจนในที่สุดก็ท่งค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ทางที่หลุดพ้นก็เรียกว่ามรรคมรรคนี้ก็มีองค์แปดหรือบางทีก็มารวมกันเป็นองค์สามคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญามรรคนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตนอกจากมรรคแล้วยังได้ทรงตัดสรตวเหตุ ที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาก็คือกิเลสตัณหาความโลภต่างๆความโลภความโกรธความหลงหรือความอยากในความความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่เรียกวพุทธคือผู้รู้ผู้ตัดสรู้ผู้คนพบทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้คนพบเหตุที่ ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาภายในใจ เ, เมื่อทรงรู้ด้วยตนเองก็เป็นพาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า, เ, าเป็นผู้สิ้นกิเลสคือพาอาระอรหันต์พาาระอรหันต์นี้ความจริงก็มีอยู่สองแบบด้วยกันพาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กับพระอารหันตสาวกเนะ่เป็นผู้สิ้นกิเลสเหมือนกันอรหันต์นี้แปลว่าผู้สิ้นกิเลสเป็นผู้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจแต่ต่างกันตรงที่พระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นผู้สิ้นกิเลสด้วยการปฏิบัติ ของตนเองด้วยการค้นคว้าด้วยการศึกษาของตนเองไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกวิธีส่วนพระอาหารหันตาสาวกนี้เป็นผู้ที่สิ้นเกลเลสดด้วยการเรียนได้การศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นเกลเล็ดเหมือนกัน แต่สิ้นกิเลสเพราะได้ศึกษาได้เรียนจากผู้รู้คือพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคาสั่งคาสอนนี่คือพระอาหารหันต์ในศาสนาพุทธมีอยู่สองแบบด้วยกันคือพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสด้วยการค้นพบทางสู่การดับทุกข์ด้วยตนเอง ส่วนพระอาหารหันตสาวกนี้สิ้นกิเล็ด้วยการเรียนรู้ทางสู่การดับทุกข์จากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสองแบบอาหารหันตสาวกแปลว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังผู้ศึกษาเป็นพระอาหารหันตจากการได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ส่วน พ, พ, พระพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ค้นหาทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครในโลกนี้รู้วิธีหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองจึงต้องใช้ปัญญาความฉลาดของตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองวินิจฉัยวิจัยด้วยตนเองจนในที่สุดก็พบทางสู่การหลุดพ้นพอปฏิบัติตามทางสู่การหลุดพ้นความทุกข์ต่างๆก็หมดสิ้นไปจากใจนนี่แหละคือพระพุทธเจ้าของพวกเราแล้วพระพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันสองชนิด ชนิดที่หลังจากที่ได้ตัดสรู้แล้วก็นำเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปก็คือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรารู้จักกันอยู่นี่เองพระองค์หลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วก็ ตัดสินใจจะเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นพอมีการสั่งสอนก็จะมี ก, การปรากฏขึ้นของพระรัตนตรองค์ที่สองก็คือพระธรรมรัตนะพระธรรมออแล้วพอสั่งสอนมีผู้เอาศึกษาเอาไปปฏิบัติก็จะปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมา หลังจากที่ได้ปฏิบัติจนเกิดผลผลก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นก็เลยปรากฏเป็นพระรัตนาไตรองค์ที่สามขึ้นมาคือพระสังขรัตนาพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี่คือพระรัตนาไตรที่พวกเรามาพบมา มารู้จักมาศรัทธามาเชื่อมาปฏิบัติตามเนี่ยเกิดจากการตัดสรุของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดจากการตัดสินพระไทยของพระพุทธเจ้าที่จะเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นพอได้เอาความรู้มาสั่งสอนความรู้นี้ก็เป็นพระธรมรมลัตตนขึ้นมานั่นเองเป็นอก เป็นลัตนะองค์ที่สองแล้วหลังจากนั้นพอมีผู้ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังน้อมนําเอาไปปฏิบัติ <c oughs> ก็ปรากฏเป็นพระสังฆรัตณนขึ้นมาเป็นพระอาหารหันตสาวกเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าตัดจะรู้แล้วไม่สอนใคร ก็จะเป็นพระประเจ ก, กัพุทธเจ้าคือจะไม่ไม่มีใครรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ขึ้นมาในโลกนี้เพราะพระพุทธเจ้าจะไม่เอาคพระธรรมคําสอนมาสั่งสอนเมื่อไม่สั่งสอนก็ไม่มีพระธรรมรัตตาปรากฏขึ้นมาไม่มีพระอริยสง์สังขาัตานะปรากฏขึ้นมา พระศาสนาก็จะไม่มีพอพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าตายไปความรู้ก็ไปตายไปกับพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าจะไม่มีผู้มาสืบทอดความรู้อันประเสริฐนี้เหมือนกับที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคอยสืบทอดความรู้อันนี้ ให้อยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้นี่คือเรื่องของพระพุทธรัตนองค์แรกองค์สำคัญที่สุดในพระรัตนใจเพราะถ้าไม่มีพระพุทธรัตนอะก็จะไม่มีพระธรรมรัตนะไม่มีพระสังฆรัตนะ์ปรากฏตามขึ้นมาจะไม่มีพระพุทธศาสนา ที่มีอยู่มาได้จนถึงวันนี้ก็ 2,500 กว่าปีแล้วและถ้าตามที่พระพุทธเจ้าได้สรงพยากรณ์ไว้หรือสรงคาดหวังไว้ว่าศาสนาจะอยู่ต่อไปจนถึง 5,000 ปีก็เพราะว่ามีพระรันตนไตยนี้เป็น ผู้นำศาสนานั่นเองนะเป็นผู้ที่รักษาศาสนาเป็นผู้ที่สืบทอดพระศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานไปเรื่อยๆต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งในสามองค์นี้ถึงจะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกนี้ไปได้เรื่อยๆถ้าศูนย์ทั้งสามองค์ ศาสนาพุทธก็ถึงอวกาถึงอวสานลการอย่าไม่มีใครจะมารับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อีกต่อไปเพราะจะไม่รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นอะไรน่าจะมอบอะไรให้กับเราน่าจะมอบได้ด้วยวิธีใดต่อไปก็จะไม่มีใครรู้กัน พอไม่รู้แล้วก็ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดของภาษาศาสนาถึงแม้จะมีซาก ข, ของภาษาศาสนาหลงเหลืออยู่เช่นมีพระพุทธรูปมีโบทมีเจ ด, ดีย์มีอะไรหรือแม้แต่มีพระคำมพีแต่ก็ไม่มีใครสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้หรือนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้อันนี้ คืออนาคตการของศาสนาพุทธถ้าเมื่อขาดพระรัตนตรขาดพระพุทธขาดพระธรรมขาดพระอริยสงสาวกแล้วศาสนาก็เป็นเหมือนต้นตาลที่ที่ยอดของต้นตาลมันตายไปถึงแม้ตัวลำต้นจะมีอยู่ แต่มันจะไม่เจริญงอกงามต่อไปได้เพราะยอดตาลมันตายไปเสียก่อนยอดตาลของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะรักษาศาสนาพุทธนี้เราต้องมารักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเราอย่าไปรักษาเปลือกของพระพุทธศาสนา หรือองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาเช่นโบสถ์เช่นวัดวาอารามเจดีย์กุฏิหรือพระพุทธรูปต่างๆวัตถุมงคลต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีมากเท่าไหร่ก็ไม่มีคุณประโยชน์อทไหร่ไม่สามารถที่จะ มอบสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มอบให้ได้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องมาศึกษาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะเราจะรักษาได้อย่างไรพระพุทธเจ้านี้เรารักษาไม่ได้แล้วเพราะว่า พาาระสัลีระของพระพุทธเจ้านี้ได้ดับไปแล้วได้ตายไปแล้วแต่องค์ของพระพุทธเจ้านี้ยังไม่ได้ตายไปกับพาาระสัลีระของพระพุทธเจ้าองค์ของพระพุทธเจ้านี้ยังตั้งอยู่ในพระธรรมคําคสั่งคําสอนตอนที่พระพุทธเจ้าจะจากไปเสภาองค์ได้ทรงตัดว่า พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาจากครูจากอาจารย์เพราะว่าผู้ที่จะมาเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราก็คือพระธรรมคำสอนที่เราได้สอนไว้ตลอดระยะเวลา45ปีนั่นเองที่เราเรียกกันว่าสวากขาโตภะวตาธรรมโมธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละ จะเป็นศาสดาของพวกเราต่อไปพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาหรือปราศจากพระพุทธเจ้าถ้าเรายังเข้าถึงพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีบรรจุไว้ในคัมภีร์ที่มีชื่อว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้แปลว่าสามตกกากาไตรแปลว่าสามปิฎกแปลว่าตกกากา ความหมายก็คือพระธรรมนี้ได้ถูกแบ่งไว้เป็นสามส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็ใส่ไปในตะการหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ใส่ไปตะการหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปใส่ตะการหนึ่งจึงมีสามตะการด้วยกันแต่เป็นคำสองคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นคำตะการแรกนี้ก็คือพระวินัยปิฎก วินัยแปลว่าบทศิกขาบทต่างๆที่ทรงสอนให้กับพระภิกษุภิกษุณีคือศีลต่างๆศีลสามร้อยสิบเอ็ดข้อของภิกษุณีศีลสองรอยบข้อของพระภิกษุนี้บรรจุไว้ในตะก้าเรียกว่าวินัยปิดกวินัยปิดกนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่มาบวชเป็นภิกษุภิกษุณี ที่จะต้องศึกษาที่จะต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติของภิกษุภิกษุณีที่จะนํามาสู่ผลที่ต้องการคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติปฏิบัติตามศีลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะได้ให้มีแต่พระ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองมีแต่พระสุปฏิปันโนผู้ที่จะเป็นพระสุปฏิปันโนจึงต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยพระวินยัยที่พระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นี่คือปิดกหรือตาก้าที่หนึ่งคือวินัยปิดกตาก้าที่สองเรียกว่าพระสูตร พระสูตรตันตะปิดกพระสูตรนี้แปลว่าธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งไว้แสดงไว้ในแต่ละครั้งส่งแสดงครั้งหนึ่งก็ตั้งชื่อพระสูตรนั้นขึ้นมาเช่นตอนที่ส่งแสดงครั้งแรกต่อพระปัญจวัคคีย์ในวันอาสารหาบูชาที่จะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในวันที่สิบหกที่จะถึงนี้ ก็เรียกว่าพระธรรมจากกับปวัตตนสูตรหรือเราบางทีเรียกสั้นๆว่าเป็นพระปฐ ม, มเทศนาเป็นการแสดงธรรมสูตแ ร, ร, รแรกของพระพุทธเจ้ากันแรกของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงแสดงแล้วก็จะมีผู้เอาไปจดจำเอาไปท่องจดท่องจำกันไว้แล้วก็ สืกทอดกันมาถ่ายทอดกันมาพระที่มาบวชนี้ก็จะมาท่องพระสูตรต่างๆกันก็เลยมีการอนุรักษ์รักษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นอาศัยการท่องจำเพราะในยุคนั้นไม่มีการเรียนการไม่มีการอ่านการเขียนไม่มีการเรียนรู้วิธีบันทึก ความรู้ต่างๆให้เป็นตัวอักษรอาศัยการจดจำ น, นี่คือพระสูตรปิดกอันนี้เป็นปากกาที่สองหรือภาษาปัจจุบันก็เป็นหมวดที่สองหมวดที่หนึ่งของพระไตรปิฎกก็คือพระวินัยปิฎกหมวดที่สองก็คือพระสูตรปิดกหมวดที่สามก็คือพระอภิธรรมปิดก ท้ายพิธรมนี้ก็คือการแสดงธรรมล้วนๆไม่มีเหตุการณ์ไม่มีบุคคลมาเกี่ยวข้องด้วยแสดงมรรคแปดแสดงอริยสัจสี่แสดงไตรลักษณ์แสดงอิทธิบาทสี่อะไรต่างๆเหล่านี้โดยที่ไม่ได้เอาบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธสูตรขึ้นมาประกอบ เลือกเอาคัดเอาแต่เฉพาะเนื้อหาสาระของธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้เท่านั้นมาบรรจุไว้ในพระอภิธรรมปิดอกนี่คือพระไตรปิฎกที่ตั้งของพระธรรมคำสอนที่เราเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี่คือพะรพะธรรมมัตะนะ เป็นลัตนะองค์ที่สองที่เราสามารถอ า, อาศัยเป็นที่พึ่งเป็นผู้สั่งผู้สอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต่อมานอกจากมีพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีพระธรรมคำสอนของพระอาหารหันตสาวกองค์ต่างๆด้วย เช่นหนังสือต่างๆของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในยุคปัจจุบันนี้คำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ที่เรารู้ได้ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ก็เพราะว่าหลังจากที่ท่านตายไปแล้วกระดูกของท่านบางส่วนก็กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมา ดังนั้นคําสั่งคําสอนของท่านเหล่านี้ก็เป็นเหมือนคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนรูปสอนเรื่องเดียวกันสอนวิธีดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเหมือนกันหมดเราก็สามารถยึดพระธรรมคําสอนในรูปแบบที่ได้มาจากพระอรหันตสาวกได้คื อ, คอธรรมะของครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ถ้าเราเข้าไปในแหล่งความรู้ต่างๆเราก็จะได้ยินหรือได้อ่านความรู้ของครูบาอาจารย์ต่างๆของหลวงปู่ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันเป็นสาระ เป็นครูเป็นอาจารย์ได้เหมือนกันคาว่าสารณะนี้ไม่ได้หมายถึงที่เราจะไปหลบดดหลบฝนหลบภับบบยต่างๆสารณะนี้หมายถึงครูอาจารย์ผู้สั่งผู้สอนให้เรารู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆพระรัตนตยเป็นพระสารณะของพวกเราพุทธังสลานังกัฉามิ ธรรมังสารนังกชามิสังขังสารนังกชามิเอนี่คือองค์ประกอบองค์ที่สองของพระรัตนตรัยก็คือพระธรรมรัตนะพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นผู้ที่เราสามารถศึกษา เรียนรู้วิธีกำจัดความทุกข์ได้ส่วนพระสังฆรัตนะองค์ที่สามนี้ก็คือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นฆราวาดญาตโยมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้แล้วได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาได้เป็นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป พระสโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์นี้เรียกว่าพระอริยสงสาวกเป็นผู้รู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆกันระดับแรกก็หลุดพ้นบางส่วนแต่ก็จะดาเนินการต่อไปแล้วก็จะดับเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะ ดับความทุกข์ต่างๆได้หมดสิ้นไปจากใจทั้งสี่องค์นี้ก็สามารถเป็นที่พึ่งได้เป็นผู้สั่งผู้สอนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นะนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นพนักบวชเท่านั้นไม่ต้องเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเท่านั้นแมนะ้แต่ฆรวาสญาิโยมผู้ครองเหลือนก็มีเป็นพระอริยสงสาวก ก็มีเหมือนกันออออดังนั้นเราก็ต้องมาทำข้ามเข้าใจให้รู้ว่าพระอริยสง์สาวกนี้เป็นใครถ้าไม่ศึกษาแล้วอาจจะคิดว่าพระสงฆ์องค์เจ้าที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้เป็นพระสังฆรัตะนะก็ไดออ้ซึ่งไม่ใช่นคนที่มาบวชใหม่โกนหัวใหม่ๆนุ่งผ้าหดเหลืองเราก็เรียกว่าพระสงฆ์แล้ว แต่นี่ไม่ใช่พระสงฆ์ที่เป็นพระสังฆรัตนะเพราะท่านยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ท่านยังเป็นปุถุชนยังเป็นพระสงฆ์ปุถุชนอยู่ไม่ใช่เป็นพระสงฆ์อริยบุคคล เราต้องทําความเข้าใจบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเห็นพระรูปไหนก็ต้องเป็นพระสังฆัตนะเป็นพระอริยสงฆ์กันทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่นะพระสงฆ์ัตนะพระสังฆัตน ะ, ะ ต, นะต้องเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชอบด้วยพระธรรมวินัยถูกต้องทุกประการ มีความรู้ที่สามารถสอนให้ผู้ฟังนำเอาไปปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นเวลาเราเห็นพระสงฆ์นี้เราอย่าไปหมาว่าเป็นพระสังฆรัตนะเพราะเราอาจจะผิดหวังได้เพราะไปเจอพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนที่มีความประพฤติ ท, ที่ยังไม่สมบูรณ์ในธรรมในวินยัย ก็อาจจะทำให้เกิดเสื่อมศรัท ธ, ธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เวลาที่เราไปเข้าล้มนัถือพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งแล้วทั้งมีการปฏิบัติที่เสื่อมเสียเราก็จะอาจเมาไว้ทั้งหมดเลยว่าพระสงฆ์ทุกรูปเป็นแบบนี้กันทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้น เราต้องอย่าไปเทปาทิ้งทั้งเข่งปะทูเน่าตัวเดียวเราก็เลือกเอาแต่ตัวที่เน่าทิ้งไปตัวที่ไม่เน่าเรายังเก็บไว้กินได้ประสงค์นี้ก็เหมือนกันเหมือนปะทูที่อยู่ในเข่งมาอยู่รวมกันมีทั้งตัวที่เน่าทั้งตัวที่ไม่เน่าถ้าเราเจอตัวที่เน่าเราก็ เอาทิ้งไปคัดออกไปไม่ใช่พอเจอเข่งนี่มีตัวเน่าตัวหนึ่งก็เลยเทมันไปทั้งเข่งเททิ้งไปทั้งเข่งคือไม่ศรัทธาในพระสงฆ์องค์เจ้าอีกต่อไปถ้าขาดการศรัทธาในพระสงฆ์องค์เจ้านี้เราจะลําบากถ้าเราต้องการหนุดพ้นจากความทุกข์เราคิดว่าเราอาจจะศึกษาจากหนังสือจากพระไตรปิฎกได้ก็ตามแต่ ความสามารถนั้นต่างกันความสามารถที่จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนี้เราจะได้มากกว่าจากการได้ศึกษาจากพระอริยสงสาวกผู้ที่สามารถตอบปัญหาผู้ที่สามารถสอนในธรรมในระดับที่เราต้องการได้ถ้าเราไปศึกษาจากหนังสือนี้ เราต้องค้นหาเราเองศึกษาธรรมที่เหมาะกับเราในแต่ละระดับนถ้าเราไปศึกษาธรรมที่สูงกว่าเราก็จะไม่เข้าใจถ้าเราไปศึกษาในธรรมที่ต่ำกว่าเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเราต้องศึกษาธรรมในระดับของเรา เหมือนกับตอนที่เราเป็นนักเรียนถ้าเราอยู่ชั้นประถมเราก็ต้องไปเวลาเราย้ายโรงเรียนเราก็ต้องไปเรียนชั้นประถมถ้าเราไปเรียนชั้นมัธยมเราก็จะเรียนไม่ได้ถ้าเราไปเรียชนยยยชั้นอนุบาลเราก็เสียเวลาเพราะเราได้เรียนมาแล้วได้ผ่านมาแล้วเราต้องไปเรียนระดับประถมให้มันจบเราถึงจะขึ้นระดับมัธยมได้ แต่ถ้าเราศึกษาเองเราจะไม่รู้ว่าความรู้ของเราในระดับของเรานี้อยู่ตรงไหนเราอาจจะต้องอ่านต้องค้นคว้าใช้เวลามากมายกายกองกว่าจะไปพบกับความรู้ในระดับของเราก็ได้แต่ถ้าเราได้พบกับพระอริยสงสาวกนี่ท่านจะรู้ดูท่านดูหน้าดูตาเราดูสภาพ ของเรานี่ท่านจะอ่านออกว่าเราอยู่ในระดับไหนท่านก็จะเอาธรรมที่เหมาะสมกับเราในระดับนั้นมาสอนเราเราก็เลยจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไปค้นคว้าหาธรรมที่เหมาะกับเราถนัด จ, จะรู้ว่าเรากําลังติดข้องอยู่ตรงไหนสงสัยในเรื่องอะไรไม่เข้าใจในเรื่องอะไรบางทีไม่ทันถามท่านก็ตอบเราก่อน หรือบางทีถ้าเราถ้าท่านไม่สอนไม่ตอบเราก็ถามได้ที่นี่เวลาแสดงทำเสร็จก็จะมีการเปิดโอกาสให้สอบให้ถามได้เพราะว่าอาจจะรู้ในธรรมข้อนั้นข้อนี้แต่ไม่ได้แสดงไว้ในวันนั้นก็สามารถถามได้เพื่อตอบข้อสงสัยได้ การตอบข้อสงสัยก็คือการให้ความรู้ที่เราไม่เข้าใจที่เราไม่รู้ให้เรารู้ว่าเป็นอะไรกันแน่นั่นเองว่าเป็นสุนัขหรือเป็นแมวไม่แน่ใจเห็นสัตว์ตัวนี้แล้วมันมีลักษณะเหมือนกับสุนัขเหมือนกับแมวไม่รู้ว่าจะไปเรียกมันว่าเป็นแมวหรือเป็นสุนัขดี ถ้าถามคนที่รู้แล้วว่าสุนัขเป็นอะไรแมวเป็นอะไรก็จะบอกได้ทันทีอ๋อมันเป็นสุนัขไม่ใช่เป็นแมวเพราะมันร้องไม่เหมือนกันแมวมันร้องเมียวหมามันเหา่าอันนี้อันนี้จะประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากพระสังฆลัตษนะจากพระอริยสงสาวกจะต้องประเด็นกว่าจะรวดเร็วทันใจกว่า กว่าที่เราจะมาศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกด้วยตนเองแล้วการศึกษาด้วยตนเองก็อาจจะแปลความหมายผิดไปก็ได้เพราะสมัยนี้ภาษาก็เปลี่ยนไปภาษาที่อยู่ในพระไตรปิฎกกับภาษาที่เราใช้กันในวันนี้อาจจะเป็นคำเดียวกันแต่อาจจะมีความหมายไม่เหมือนกันเสียแล้วก็ได้เช่นคาว่าเวทนา เวทนาเราแปลว่าอะไรสมัยนี้เราแปลว่าสมเพศเวทนาหน้าสงสารเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็สมเพศเวทนาขึ้นมาแต่นี่ไม่ใช่เป็นความหมายของเวทนาในพระไตรปิฎกคำว่าเวทนาแปลว่าความรู้สึกรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเรียกว่าเวทนา อันนี้ถ้าอ่านแล้วอาจจะงงว่าที่ว่าเวทนานี้ไม่ให้เวทนาเป็นอะไรกันนะเป็นความสมเพทเวทนาหรือเป็นความรู้สึกสังขารก็เหมือนกันสังขารเราใช้สมัยนี้กับสมัยที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็ต่างความหมายกันแล้วสังขารที่เราใช้ทุกวันนี้กลายเป็นร่างกายไปหมายถึงร่างกายสังขารร่างกายไม่เที่ยงหนอะ สังขารในพระไตรปิฎกนี้ท่านหมายถึงความคิดปรุงแต่งของใจเียกว่าสังขารเป็นนามขันเป็นขันในเป็นขันสีในนามขันสีเป็นหนึ่งในขันสีที่เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งที่อยู่ในอวิชชาปัจจ ย, ยาสังขาราถ้าไม่เข้าใจจะไปคิดว่าอวิชชาเป็นผู้สร้างร่างกายขึ้นมา อันนี้ไม่ตรงประเด็นอวิชชาเป็นผู้สร้างสังขารเป็นผู้สั่งให้สังขารคิดปรุงแต่งไปในทางของอวิชชาคือให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยอันนี้นี่คือภาษาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าไม่ได้เรียนรู้จากผู้ที่รู้ความหมายของภาษาเดิมถ้าเราไปอ่านเองเราจะ เข้าใจผิดหรืออาจจะไม่เข้าใจความหมายที่ถูกต้องกับที่ได้ทรงสั่งสอนมาดังนั้นสู้ศึกษาจากพระอริยสงสาวกไม่ได้นี่คือประโยชน์ของพระอริยสงสาวกผู้ที่จะมาทาหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนธรรมะแทนพระพุทธเจ้า แต่ถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถหาพระอริยสงสาวกได้อย่างน้อยเราก็ยังมีพระธรรมคำสอนที่มีบรรจุไว้ในคัมภีร์ในหนังสือธรรมะต่างๆแต่อาจจะต้องใช้เวลามากในการศึกษาเพื่อทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจเกิดความเห็นที่ถูกต้องได้แต่ก็ยังไม่ สิ้นทางยังยังมีทางมีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้แต่อาจจะต้องใช้เวลามากนี่คือเรื่องของพระรัตนตยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องราวของท่านเราก็จะเข้าใจผิดกันก็จะเป็นการเข้าใจแบบเป็นศรัทธาแบบงมงายขึ้นมา พวกที่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นี้จะคิดว่าพระพุทธรูปนี้แหละคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าต้องการอะไรต้องการพอรอันประเสริฐก็ไปกราบพระพุทธรูปไปจุดทูปจุดเทียนแสดงความคลวะแสดงการบูชาด้วยอมิตรสบูชาแล้วก็ขอเลยอยากจะได้อะไรขอเลย ถ้าเป็นนักนักเรียนอยากจะสอบเอ็นทานก็ขอเลยขอให้ติดนะถ้าคนที่ไม่มีแฟนอยากมีแฟนก็ขอแฟนเลยคนที่มีแฟนแล้วแต่ยังไม่มีลูกอยากจะได้ลูกก็ขอลูกเลยคนที่ตกงานอยากจะได้งานก็ขอเลยนี่คือความเชื่อแบบงมงายเพราะว่าไม่รู้ว่า สิ่งที่เราเชื่อนี้จะมอบสิ่งที่เราต้องการให้เราได้หรือไม่แล้วทําไมยังเชื่อกันอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญบงังเอิญเราอยากจะได้แล้วพอไปกราบขอปับ๊บเราก็ได้ทันทีเราก็เลยคิดว่าอ๋อนี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปอยากได้อะไรก็ขอได้เลย พอขอก็ได้ก็เลยพอดีมันเป็นจังหวะที่จะได้พูดง่ายๆจะขอหรือไม่ขอมันก็จะได้อยู่แล้วแต่ใจไม่มั่นใจใจกังวลเพื่อบรรเทาความไม่มั่นใจความกังวลก็เลยไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกับพระพุทธรูปพอขอแล้วก็รู้สึกทำให้สบายใจขึ้นมา แล้วพอดีได้ตามที่ขอก็เลยเชื่อเข้าไปใหญ่เลย mm. เชื่อว่าอ๋อนี่แหละพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้อยากได้อะไรขอได้ก็ลองจดสถิติ ด, ดูเสีว่าทุกครั้งที่ขอนี่จะได้ทุกครั้งหรือเปล่าหรือทุกคนที่ไปขอนี่จะได้ตามที่เขาขอหรือเปล่าอลองไปสัมภาษณ์คนที่ไป กาบตามวัดต่างๆดูกาบพระพุทธรูปตามวัดต่างๆดูไปวัดพระแก้วไปวัดอะไรต่างๆแล้วไปขออะไรกันนี่ลองทําสถิติดูลองสัมภาษณ์ดูว่าเมื่อไงวันนี้ขออะไรแล้วขอเราได้หรือเปล่าเมื่อก่อนมาขอเคยได้หรือเปล่าได้กี่ครั้งเออันนี้ถึงจะได้รู้จริงว่าแม่นหรือไม่แม่นศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนี่ อันนี้เป็นเรื่องของความงมงายเป็นความเข้าใจผิดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะบันดาลสิ่งต่างๆให้กับเราที่เราต้องการได้อันนี้คือเรื่องของคนที่เชื่อแบบนี้พอขอบ่อยๆแล้วขอไม่ได้สักทีพอมีคนอื่นมาแนะวิธีอื่นก็ไปกับเขาเลยลองไปบูชาลาหุนดูไ้ย บูชาพระพุทธรูปแล้วไม่ได้ผลลองไปบูชาลาหุนพิคเนตก็ได้เหมืพระพิคเนตก็ศักดิ์สิทธิ์นะพระวิชนุก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ ย, พ, กกย พ, พระพรหมที่ที่สี่แยกราชประสงค์ก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ไปกันใหญ่ไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปเพิ่งที่ไหนแล้วเนี่ยพึ่งพระพุทธระธรรมพึ่งพระพุทธรูปขอมาแล้วกี่ครั้งก็ไม่ได้สักทีคนนี้เขาบอกว่าเขาไปขอพระพิกขันเน่แล้วได้ทันทีเลยครับ อ, อยงนก็ลองดูหน่อยบางคนก็ไปขอพระลาหุนพอขอปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยก็มาชวนมาแนะนำกันเ<ม>นี่ยพวกเราเนี่ยชอบสอนกันแบบงงายด้วยกันทั้งคู่หรือบางที คนเป็นอะไรไม่สบายสักโรคหนึ่งนี่โอ้มีหมอมาสิบมามีหมอมาสิบแบบมาแนะนำละไปหาหมอแบบนี้สิไปหาหแบบนั้นสิคนไข้เลยงงไม่รู้จะไปหาหมอแบบไหนดีเพราะแต่ละลายมาบอกว่าดีทั้งนั้นหายทั้งนั้นอันนี้ถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีความรู้นี่จะไข้เขวและอาจจะหลงทางได้ แต่ถ้ามีความรู้ว่าไม่สบายก็ต้องไปหาแพทย์ตอนนั้นแพทย์เขาศึกษามาเขามีวิชาความรู้ที่จะรักษ า, าก็ไปหาเขาอย่างน้อยก็ไปหาเขาก่อนจนกว่าเขาบอกว่าวิชาความรู้ของเขาช่วยเราไม่ได้แล้วทีนี้อาจจะต้องไปลองอย่างอื่นแล้วอาจจะไปหาหมอสมุนไพรอาจจะมาหาหมอเป่ า, าหมอทามีหลายแบบด้วยกัน อาจจะหายก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้ไม่มีใครรู้อันนี้คือลักษณะแบบเชื่อแบบงมงายจะไม่มีความมั่นใจศรัท ธ, ธาจะสั่นคลอนได้ง่ายเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะที่เราศรัท ธ, ธาที่จะช่วยเราได้กับไม่สามารถช่วยเราได้เมื่อเขาไม่ช่วยเราแล้วช่วยเราไม่ได้แล้วเราจะไปศรัท ธ, ธาทําไมให้เสียเวลา พอมีคนอื่นมาแนะนําวิธีอื่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นก็จะหลงตามจะไปเชื่อตามทันทีแต่ถ้าเราเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยปัญญาแล้ว <c oughs> เราจะยากต่อการที่จะถูกคนอื่นฉุดลากให้เราไปเชื่ออย่างอื่นได้แต่การเชื่อแบบปัญญาแบบเรียนรู้นี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันฮนะยังไม่มั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าอยากจะให้ความเชื่อแบบปัญญานร้อยเปอร์เซ็นตนี้ต้องเชื่อแบบปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเนเกิดจากการทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บอกว่าถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็ให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาไปเถิดทำทานรักษาศีลภาวนาไป แล้วความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจจะค่อยๆหมดไปตามลำดับนะพอเราเริ่มทำตามแล้ว เ, เริ่มเห็นความทุกข์ต่างๆเริ่มเบาบางลงเริ่มน้อยลงเมื่อก่อนนี้ทุกข์กับเงินทองเสียดายเงินทองเวลาเงินทองหายไปนี่โอยเสียอกเสียใจแต่พอมาทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆ ต่อไปเวลาเสียเงินเสียทองเงินทองหายไปกลับไม่รู้สึกเสียอกเสียใจเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปอันนี้ก็เป็นการลดความทุกข์ในระดับต้นๆได้นะพอเห็นผลว่าความทุกข์ของเรานี้น้อยลงไปจากการปฏิบัติตามคําสอนเมื่อก่อนนี้ทุกข์กับเรื่องเงินทองหัวเงินทองห่วงเงินทอง เสียดายเงินทองแต่พอได้ทําบุญทําทานแล้วเกิดความสุขจากการเสียเงินทองไปต่อไปเลยไม่เสียใจเวลาเงินทองหายไปก็คิดว่าเป็นการทําเหมือนกับเป็นการทําบุญทําทานเพราะเวลาเราทําบุญทําทานเราก็ไม่ได้อะไรมาจากการทําบุญทําทานของเราเราไม่ได้ของตอบแทนกลับมา ก็เหมือนกับเวลาที่ถูกเงินขโมยไปเราก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมามันก็เหมือนกับการทำบุญทำทานเมื่อก่อนนี้โอ้เสีย อ, อกเสียใจโมโหอาฆาตพยาบาทต้องไปแจ้งความต้องไปอะไรให้วุ่นวายไปหมดแต่พอได้มาทำบุญทำทานเสียเงินเสียทองแล้วเกิดความสุขใจ ต่อเวลาถูกเงินเงินถูกขโมยไปหรือหายไปก็ไม่รู้สึกเสียอกเสียใจเพราะก็จะคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปขายได้เงินนั้นก็เอาไปทําประโยชน์ของเขาไปเอแล้วแทนที่จะเสียใจเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่เสียใจกลับเกิดความสุขใจว่าวันนี้ดีนะไม่ต้องไปถึงวัดมีคนมารับทานจากที่บ้านเราเลยมาขอทานจากที่บ้านเราเอ ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเดินทางไปวัดให้เสียเวลาเออนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเราจะสัมผัสกับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจที่น้อยลงไปนทําทานแล้วรับเราได้ความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องเข้าของเงินทองนี้จะลดน้อยถอยลงไปวความยึดความหวงนี้จะน้อยลงไปความหวงใหญจะน้อยลงไป เพราะท่านก็สอนว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเกิดมาทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราไปหวงไปห่วงมันทาไมในที่สุดมันก็ต้องจากเราไปสู้ให้มันจากไปแบบให้เรามีความสุขไม่ดีกว่าหรือแทนที่จะเก็บสะสมไว้โดยที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร เอาไปทำบุญดีกว่าเอาไปทำทานดีกว่าตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทาแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาความห่วงใยความกังวลใจในเงินทองก้อนนั้นก็หายไปเงินทองก้อนอื่นถ้าเกิดมันจะหายไปก็ไม่เสียอกเสียใจเพราะถือว่าอยู่ในโลกของอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมันอาจจะอยู่กับเรามันอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าเราไม่ไปหวงไปไปยึดไปติดมันแล้วมันจะไปก็แทนที่จะเสียใจกับโล่งใจดีจะได้หมดภาระไม่ต้องมากังวลกับมันอีกต่อไปอนี่ผลจะปรากฏขึ้นมาถ้าเห็นผลจากการปฏิบัติแล้วเทนี้ความเชื่อ ด้วยปัญญานี้จะเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่ได้ยินได้ฟังนี้ยังเป็นปัญญาแบบสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นะเชื่อเชื่ออ่านประวัติของพระพุทธเจ้าก็เชื่อเชื่อวิธีสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เชื่อแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ยังไม่ได้ปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วนี้มันไม่ใช่สิบปากว่าแล้วมันเป็นหนึ่งตาเห็นแ่ะเพราะพอปฏิบัติแล้วมันก็จะเห็นผลทันที เห็นผลในจิตใจว่าความทุกข์นี้มันเริ่มน้อยลงไปความสุขมันมีเพิ่มมากขึ้นมาตามลำดับเพียงแต่ขั้นที่หนึ่งก็เห็นผลนะนะพอไปขั้นที่สองก็ยิ่งเห็นผลใหญ่พอไปรักษาศีลได้ใจยิ่งทุกข์น้อยลงใหญ่เวลาทำบาปนี้ใจวุ่นวายนะใจทุกข์นะใจกังวลใจเดือดร้อนใจวิตกังวล เห็นตำรวจนี่ใจซุดลงไปที่เท้าเลยเอ๊ะกูจะโดนจับหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ทำบาปแล้วเจอตำรวจมากี่ร้อยคนก็ยินดีต้อนรับเลยเชิญเข้ามาในบ้านหานงหาน้ามาเลี้ยงต้อนรับอย่างเต็มที่เลยจะเอาจะจับไปไหนยินดีให้จับไปเลยถ้ามีหลักฐานในเมื่อเราไม่ได้ทำบาปมันจะมีหลักฐานอะไรมานอกจากมันปั้นหลักฐานขึ้นมาเท่านั้นเอง แต่เราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่กังวลเราจะไม่ทุกข์จากการรักษาศีลแล้วถ้าเราไปหัดภาวนาไปฝึกสมาธิไปทำใจให้สงบทีนี้ยิ่งจะเห็นผลใหญ่เห็นว่าความสงบนี้นำความสุขอันยิ่งใหญ่มาทำให้ความทุกข์อันตถาทานหายไปหมดเลย ความหนักอกหนักใจความกังวลความเครียดต่างๆที่มีสะสมอยู่ในใจนี้พอได้ภาวนาได้นั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบนี้ความทุกข์ต่างๆหายไปหมดเลยก็ยิ่งทำให้เกิดความเชื่อขึ้นมาใหญ่แล้วยิ่งถ้าปฏิบัติขึ้นต่อไปขั้นปัญญาสามารถกำจัดความทุกข์ให้หายไปอย่างถาวรได้ทีนี้ก็ไม่มีแล้ว ความรังเลสงสัยในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ว่ามีคุณมีประโยชน์กับเราหรือไม่อย่างไรหายสงสัยหมดต่อไปจะมีใครจะมาเสนอคําสอนของลัทธิไหนของศาสนาไหนใครจะมีวัตถุมงคลวิเศษขนาดไหนมามามอบให้ก็จะไม่รู้สึกยินดีแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ลบหลู่ไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่ กายเขาเชื่อก็ปล่อยเขาเชื่อไปกายเขาจะให้อะไรมาถ้าต้องรับด้วยมารยาทที่ดีก็รับไปถ้าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปถ้าไม่ต้องการให้เสียน้ำใจก็รับเอาไว้แต่ไม่ได้รับด้วยความเชื่อตามที่เขาเชื่อรับโดยมารยาทรับเพื่อไม่ให้เขาเสียใจพอรับแล้วเราก็เอาไปทำอะไรต่อไปแล้วแต่ที่ความเหมาะสมไป แต่เมื่อเราเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แบบร้อยเปอร์เซนตแบบปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติแล้วนี้จะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถจะทำให้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้หายไปได้เสื่อมคลายไปได้เสื่อมได้จะเป็นอจจาระศรัทธาขึ้นมาศรัทธาที่ถาวรศรัทธาที่แน่นอนมั่นคง อันนี้จะได้ถึงระดับนั้นก็ต้องเข้าสู่ระดับของการภาวนาระดับปัญญาคือวิปัสนาภาวนาขั้นสมถะ ภ, ภาวนานี้ยังไม่ถาวรความทุกข์ยังไม่หมดไปอย่างถาวรพอเข้าสู่ขั้นวิปัสนาเนี่ยเข้าถึงธรรมที่พระเจ้ทาทรงสอนให้เอามาใช้กำจัดกิเลสคืออริยสัจสี่มรรคแปดหรือไตรลักษณ์นี้ พอมาใช้ปุ๊บเห็นผลทันทีทีนี้ก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาแล้ว พอเป็นพระอริยบุคคลนี้ความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ความนังเหลวิจิตกิจฉาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้หายไปหมดสังโยชนตัวนี้จะถูกทําลายไปหมดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีอีกต่อไปในใจของผู้ที่ปฏิบัติได้บรรลุถึงขั้นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งด้วยปัญญาโดยวิปัสสนาปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่ นี่ละคือทัศรัทธาที่แท้จริงศรัทธาที่จะไม่มีวันเสื่อมคลายศรัทธาที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงตามลำดับต่อไปพอเมื่อไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ก็จะมีแต่ลุยอย่างเดียวไม่มีวันถอยไม่มีไม่มีการยกธงขาวอีกต่อไปมีแต่ลุยไปจากโสดาบันก็จะไปเป็นสักคิดาคามีจากสักคิดาคามีก็จะไปเป็นอนาคามีจากอนาคามีก็จะไปเป็นอาราหันต์ไปนิพพานตามลําดับต่อไปนี่คือผลที่เกิดจากการมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าท่านเป็นอะไรท่านทําอะไรให้กับเราได้พอเราศรัทธาแล้วเราก็ศึกษาคําสั่งคําสอนแล้วนําเอาไปปฏิบัติ <c oughs> พอปฏิบัติเราก็จะได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติศรัทธาที่เป็นศรัทธาที่ยังไม่แน่นอน <c oughs> ก็จะกลายเป็นศรัทธาที่แน่นอนถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดต่อไป แล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปเรนโตจังกะปาจันโทปันาราโยธามณีโชติาระโสยธาสัพพิตโยวิวาชันโต สัพพโรโควินาศสตุมะเตภวะโตอันตรายุสุขีทีคายุโกภะวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง Facebook 258บคนครับ YouTube 229ยคนครับวิทยุออนไลน์20สิคนครับผู้รับฟังบนเขาหนึ่ง้าคนครับรวมทั้งหมด612สิบคนครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครฟังแล้วไม่เข้าใจเยืย ไม่ได้ฟังในสิ่งที่อยากจะฟังก็เชิญถามได้ขอให้ถามเฉพาะในช่วงนี้เวลาที่เลิกประชุมแล้วก็ขอยุติการถามตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ใครอยากจะถามก็ถามได้นะถ้ายังไม่มีก็เอาคำถามทางบ้านต่อ คำถามจากเฟซบุ o กครับกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เราฉีดยารักษาเห็บหมัดให้หมาถือว่าเป็นบาปไหมเจ้าค่ะถ้าเราฉีดยาเพื่อรักษาร่างกายนี้ไม่บาปนะถ้าเราไม่ได้ไปทำให้มันตายโดยตรงถ้ามันมาตายเพราะว่ามันมากัดเราแล้วในเลือดเรามียาอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้เป็นเรื่องของการอยู่รอดของแต่ละฝ่าย เราก็ต้องเลี้ยงตัวเราให้อยู่รอดแต่เราไม่ได้ทำแบบเพื่อที่จะไปเบียดเบียนใครเราทำเพื่อป้องกันรักษาร่างกายการรักษาร่างกายนี้ไม่ถือว่ า, าบาปนะคำถามจากทาง u t ทูบนะคะจากคุณปาริชาติการใส่บาททาบุญกับพระที่ยังเป็นปุถุชนจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะคือทาบุญกับใครนี้ได้บุญ ได้บุญนี้มีสองบุญด้วยกันบุญส่วนแรกนี้ได้เหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าจะทำกับใครทำกับพระทากับพระอริยะทำกับพระพุทธชนทำกับญาติโยมทำกับแมวทากับปลาทำกับนกได้บุญเหมือนกันคือได้ความสุขใจเหมือนกันส่วนบุญชนิดที่สองนี้ไม่เหมือนกันบุญชนิดที่สองคือธรรมะที่เราจะได้จากคนที่เราไปทาบุญด้วย ถ้าไปทำบุญกับคนไม่มีธรรมะก็จะไม่ได้บุญข้อนี้ต้องไปทำบุญกับคนที่มีธรรมะเช่น ท, ทำบุญกับพระอริยะเจ้าทำบุญกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็จะได้ธรรมะเป็นบุญอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นมีทำบุญแต่ละครั้งนี้จะมีสองส่วนเหมือนกับเวลาไปเติมน้ํามันรถยนต์นี้ก็จะมีได้สองส่วนบางปั๊มก็มีแจกของด้วยไป ติมน้ำมันแล้วก็ได้น้ำมันแล้วก็ได้ของแจกะบางครั้งก็ไม่มีของแจกบางปั๊มก็ไม่มีของแจกก็ได้แต่น้ำมันเพียงอย่างเดียวเพรนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราทําบุญนี้เราต้องการอะไรเป็นหลักถ้าต้องการของแจกเราก็ต้องดูแล้วว่าปั๊มไหนแจกอะไรแต่ถ้าเราต้องการน้ำมันอย่างเดียวเราก็ไม่สนใจปั๊มไหนก็ได้เติมน้ำมันปั๊มไหนก็ได้น้ำมันเหมือนกัน ก็ทำบุญถ้าเราต้องการความสบายใจก็ทำกับใครก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ทำกับพี่กับน้องแม้แต่ทำกับศัตรูได้ก็ยิ่งดีทำกับศัตรูได้แล้วใจจะยิ่งมีความสุขเพราะเราจะได้ไม่เป็นศัตรูกับเขาอีกต่อไปอย่างทำกับใครได้บุญทั้งนั้นได้ความสุขใจค่ะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเริ่มนั่งสมาธิตอนแรกโยมเข้าอารูปฌานได้บ่อยปัจจุบันไม่สามารถเข้าได้กลับนั่งแล้วเห็นกายในกายแทนแต่ไม่สุขเท่าเข้าอารูปฌานโยมควรทำใจอย่างไรเจ้าค่ะเมื่อนั่งสมาธิเจ้าค่ะ อ, อ๋อต้องมีสติกากับใจอย่าคิดต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียว หรือดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวแล้วใจก็จะเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ถ้าไปคิดไปปรุงแต่งมันก็จะเห็นหนูน่นเห็นนี่ขึ้นมามันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่สุขเหมือนกับการนั่งแล้วดูลมไปเพ่งดูลมไปหรือพุทโธไปเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณพานุวัตรค่ะคนที่ตายไปแล้ว จะรู้ตัวหรือไม่ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเปลี่ยนภพภูมิไปแล้วครับคนที่ตายส่วนใหญ่ก็จะรู้ตอนที่ตายเนะี่เพราะตอนนี้ไม่หายใจพอไม่ได้หายใจก็รู้ว่าตายค่ะคถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบนรมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเราควรบอกลูกศิษย์พระหรือไม่ หากพระที่เราใส่บาตรท่านออกเสียงคำสวดอนุโมทนาผิดเจ้าค่ะอ๋อถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ไม่ต้องไปบอกนะถ้าท่านถามว่าสวดดีไม่สวดถูกไหมก็บอกท่านได้คำถามจากคุณสุพระชัยค่ะทำไมพระอาหารหันต์เมื่อมรอณาาภาพแล้วสรีราร่างกายจึงเป็นพระาธาตุครับ พราะใจของท่านตอนที่เป็นพระ้ า, าหลา์นี้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็เลยทําให้ความบริสุทธิ์ของใจนี้เป็นเครื่องซักฟอกร่างกายไปในตัวถ้าเป็นพระ้ า, าหลานนานก่อนจะตายนี้กระดูกจะเป็นพระธาตุได้เร็วกว่าพระ้ า, าหลานที่ตายปุ๊บแล้วก็เป็นปุ๊บแล้วก็ตายปั๊บอย่างนี้จะไม่มีเวลาฟอกธาตุ ก็บางทีธาตุก็จะไม่ได้ร่่งกายกระดูกก็จะไม่ได้เป็นธาตุขึ้นมาแต่ถ้าเป็นผ้าหานาๆนานก่อนจะตายนี่มีเวลาฟอกธาตุให้มันสะอาดให้กายเป็นธาตุล้วนๆไดอ้อันนี้เพราะข้อคำตอบก็คือเพราะใจสะอาดบริสุทธิ์สังเกตดูเวลาใจไม่สะอาดนี่มันมีผลกระทบต่อร่างกาย คนที่มีความเครียดเห็นไหมมีความโลภความอยากมากๆเพราะเป็นมีตําแหน่งผู้บริหารขึ้นมานี้ผมหงอกมาหน้านี้เหี่ยวย่นเคร่งเครียดเนี่ยผลจะเกิดจากใจที่ไม่สะอาดพอพ้นจากตําแหน่งไม่เครียดไม่มีความโลภความอยากเกี่ยวกับเรื่องการงานนี้เดี๋ยวผมหงอกก็หายไปหน้าตาก็กลับมาแต่งตึงเบิกบานขึ้นมาใหม่นี่คือผลกระทบของร่างกาย วหมือนกระทบของจิตใจต่อร่างกายถ้าจิตใจสงบจิตใจสะอาดนี่มันจะเสริมร่างกายทำให้ร่างกายดูหนุ่มดูสาวขึ้นกว่าปกติแต่ถ้ามีความโลภความเครียดเข้ามานี้มันจะทำให้ร่างกายดูแก่ดูดูไม่สวยไม่งามหน้าขมเครียดอยู่ตลอดเวลาคำถามต่อไปจาก ท่านที่มารับฟังข้างบนเขาเจ้าค่ะถ้าอยากฝึกสติระหว่างทำงานควรทำอย่างไรบางทีมีอะไรมากระทบ mm hmm. เผลอมีอารมณ์โมโหแต่หยุดไว้ไม่ทนันมารู้อีกทีตอนโมโหเสร็จแล้วเจ้าค่ะก็ต้องหมั่นฝึกสติก่อนไปทำงานช่วงที่เราเตรียมตัวไปทำงานเราฝึกสติได้คือให้พุโทโธพุโทโธไปทุกระยะในการทำอะไรต่างๆ พอตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธเลยไปเตรียมตัวอาบน้ําแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดนะถ้าจําเป็นจะต้องคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอคิดเรื่องที่จําเป็นต้องคิดเสร็จแล้วก็กลับมาพุโทโธใหม่มาหยุดความคิดพอไม่คิดก็ไม่ต้องพุโทโธ ถ้าใจรู้เฉยๆรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังหวีผมกาลังอาบน้ากำลังแปรงฟันโดยที่ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพุทธโทให้มันรู้อยู่กับงานที่เราทำไปเรื่อยๆอาบน้ําเสร็จแต่งตัวเสร็จรับประทานอาหารก็ทำแบบเดียวกันเดินทางไปถ้าไม่ต้องขับรถเองก็ก็มีพุทโทไปเรือคอยดูว่าคิดหรือไม่คิดถ้าคิดก็พุทโธไปให้มันหยุดคิด ถ้าขับรถเองก็ให้มีสติอยู่กับการขับรถไปอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องการขับรถเนี่ยพอไปที่ทำงานก็ทำแบบเดียวกันก็ให้มีสติอยู่กับการทำงานอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่น ถ้ามันจะไปคิดเรื่องอื่นก็ใช้พุโทโธพุธโทโธดึงกลับมาแล้วต่อไปเวลามันโกรธเราก็ดึงใช้พุโทโธดึงกลับมาได้เวลาเครียดก็ใช้พุโทโธดึงกลับมาได้แต่ถ้าเราไม่เตรียมพุโทโธไว้ก่อนพอถึงเวลามันไม่มีเครื่องมือที่จะดึงใจให้ออกจากความเครียดออกจากความโกรธได้คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจากคุณอารว กราบนมัส ก, การพระอาจารย์การเส้นไหว้ผู้ล่วงลับด้วยอาหารผู้ล่วงลับมีโอกาสจะได้รับหรือไม่ครับก็ลองชั่งน้ําหนักดูก่อนสิก่อนที่จะไปเส้นไหว้เอาไปชั่งน้ําหนักดูว่ากี่กิโลแลพอเส้นไหว้เสร็จก็ไปชั่งน้ําหนักใหม่ดูว่ามันหายไปไหมถ้าหายแสดงว่าผู้ที่เราเส้นไหว้คงจะได้เอาไปแบ่งไปกินนะถ้าตอนก่อน เส้นแล้วหลังเส้นน้ำหนักเท่ากันเนีกยแสดงว่าเขาไม่ได้อะไรเลยคนที่จะได้ก็คือเราเราไปชั่งน้ําหนักก่อนกินมันดูแล้วหลังจากกินแล้วไปชั่งน้ําหนักดูว่าน้ําหนักของเราเพิ่มหรือเปล่าถ้าน้ําหนักเราเพิ่มแสดงว่าเราได้กินนะงั้นการเส้นไหว้นี้ให้คนตายด้วยของกินที่คนเป็นกินนี้ใช้ไม่ได้ต้องเส้นไหว้ด้วยบุญ ต้องเอาของกินนี้ไปใส่บาตเอาไปให้คนยากคนจนคนที่เขาทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนแล้วก็ได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจเอาความสุขใจอิ่มใจนี้ส่งไปให้เขาได้เขาก็จะได้รับบุญอย่างนั้นได้แต่เส้นว่า้เฉยๆนี้ไม่ได้อะไรเป็นการเรล่นลิกเกอต่อไปคำถามจากผู้รับฟังบนเขาครับ ตอนมาถึงที่วัดรู้สึกปิติมีความสุขพอดูไปสักพักเห็นจิตหดหูแน่นอึนอดอดัดใจเต้นเร็วเป็นเพราะอะไรคะกงใจเรายัางไม่มีสติที่คอยควบคุมให้มันสงบอยู่เรื่อยๆมันเปลี่ยนไปตามบรรยากาศเปลี่ยนไปตามความรู้สึกถ้าเป็นเรือแบบเรือไม่มีหางเสือรถไม่มีพวงมาลัย มันก็จะวิ่งไปแล้วแต่มีอะไรมาดึงมันไปมันก็จะไปใจของเราเวลาเราไปในสถานที่หนึ่งเราเห็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งพอเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนไปมีเหตุการณ์ยังอื่นเข้ามาอารมณ์ที่เราได้ก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าเรามีสติคอยดึงใจให้รู้เฉยๆนี้อารมณ์จะไม่เปลี่ยนอารมณ์จะนิ่งจะสงบจ ะ, จะสักแต่ว่ารู้ไป และถเาท้าต้องการไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มากก็ต้องมาฝึกสติเหมือนควบคุมสตินั่งทำนั่งสมาธิให้ใจสงบให้เป็นอุเบกขาพอเวลาเรามีอุเบกขาแล้วใจจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นอะไรก็จะรู้เฉยเมื่อรู้เฉยก็จะไม่มีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถ้าไปมีรักมีชังก็จะเปลี่ยน อยากดีใจไปเสียใจได้พอรักอะไรก็ดีใจพอชังอะไรก็เสียใจขึ้นมาพอกลัวอะไรก็ตกใจขึ้นมาเพะฉะั้นเราต้องฝึกสติเพื่อให้จิตเข้าสมาธิให้มีอุเบกขาต่อไปเวลามีอุเบกขาแล้วใจเราจะรักษาอารมณ์ให้มันเที่ยงให้มันไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ มีคำถามจากทางยูทู e นะคะคุณจิราพรกราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะถามว่าถ้าเราระวังกายวาจาจิตไม่กระทบสิ่งต่างๆสังเกตและระงับอารมณ์จะร้อนทันอยู่เป็นประจำไม่จำเป็นต้องนั่งวิปัสสนาทุกๆวันจะได้หรือไม่เจ้าค่ะ ก็แล้วแต่ความต้องการของเราถ้าเราพอใจกับผลที่เราได้รับก็ไม่ต้องนั่งก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่ายังไม่พอยังมีโอกาสที่เราจะทุกข์ที่เราจะเบื่อที่เราจะเครียดได้ถ้าเราต้องการกำจัดความทุกข์ที่ยังมีอยู่ให้หมดไปเราก็ต้องไปนั่งสมาธิไปวิปัสสนาเพราะการปฏิบัติด้วยสตินี้มันก็ช่วยกาจัดความทุกข์ความเครียดได้ในระดับหนึ่งแต่มันยังจะไม่มีวันหมด มนรักษายาหมอให้กินยาน้าโรคภัยก็หายไปบางส่วนแต่ยังไม่หายหมดหมอบอกถ้าอยากจะหายหมดต้องผ่าตัดนี่ต้องตัดไ้ตัวที่เป็นปัญหาพอไปผ่าเอาตัวที่เป็นปัญหาออกไปโรคภัยก็จะหายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยการไปปฏิบัติสมาธิวิปัสสนานี้เป็นเหมือนกับการไปผ่าตัด การเจริญสติควบคุมอารมณ์ต่างๆนี้ด้วยสตินี้ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานยาคำถามจากคุณบันเทิงพันโชดครับเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปคำบริกรรมจะหายไปรู้สึกตัวเย็นๆอยู่ในระดับไหนครับกาบนมัสการครับ ก็อยู่ในระดับที่เป็นนั่นแหละก็ยังไม่สงบเต็มที่ไม่ควรที่จะหยุดพุทโธควรพุทโธต่อไปให้มันสงบมากกว่านั้นให้มันเย็นมากกว่านั้นให้มันเบาให้มันสบายให้มันล้องอ๋อออนี่เหลอคือความสงบถ้ามันเจอความสงบแล้วมันจะร้องอ๋อขึ้นมามันจะเป็นของที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อน เรกว่าเป็นของมหัศจรรย์ของโลกเลยก็ได้เหนือกับความเหนือเหนือกว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้สู้ความมหัศจรรย์ที่ได้จากความสงบไม่ได้ยิ่นถ้าพุโทโธหายก็ควรจะดึงกลับมาแล้วพุโทโธต่อจนกว่ามันจะเจอความสงบที่ร้องอ๋อขึ้นมาแล้วตอนนั้นพุโทโธหายก็จะหยุดไปตอนนั้นไม่ต้องพุโทโธ ถ้ามันเจอความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วมันจะมันจะรู้ว่าอ๋อเนี่เป็นของที่แปลกของใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนคำถามจากคุณสุมเมศค่ะกาบเรียนถามพระอาจารย์วิธีที่จะดูกายกับใจควรทำอย่างไรจึงจะถูกต้องครับวิธีดูกายก็ต้องศึกษาร่างกายว่ารั่งกายเป็นอย่างไร ร่างกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหมือนเดิมตลอดเวลาหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดแล้วเป็นทาลกรไปตลอดหรือเปลี่ยนไปจากทาลกรมาเป็นเด็กจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนเจ็บจากคนเจ็บเป็นคนตายอันนี้เป็นการรู้กายศึกษาความไม่เที่ยงของร่างกายหรือดู อวัยวะต่างๆของร่างกายว่าร่างกายนี้สวยงามหรือไม่สวยงามเพราะว่าเรามีของมากกว่าที่เราเห็นที่เราที่ควบคุมผิวหนังของที่อยู่ใต้ผิวหนังนี้ยังมียเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นแต่เราต้องมองให้เห็นทั้งหมดดูเข้าไปภายใต้ผิวหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูปอดดูตับดูไตดูหัวใจดูลำไส้ เรียกว่าศึกษาร่างกายดูกายส่วนการดูใจก็ต้องดูด้วยสติคือพุโทโธพุโทโธให้หยุดความคิดพอความคิดหายไปใจก็จะโผล่ขึ้นมาตัวรู้ผู้รู้ก็จะโผล่ขึ้นมาคือต้องไปนั่งสมาธิด้วยสติถึงจะเห็นใจดูดูใจได้คำถามจากคุณคันชิตค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ เวลานั่งสมาธิแล้วตัวสรรันเรานิ่งแต่ไม่ปรากฏอะไรนั่งประมาณสองชั่วโมงแต่ไม่เป็นสมาธิหรือสมาธิเป็นอย่างไรขอรับถ้านั่งแบบไม่มีสติมันก็จะไม่ได้ผลนั่งต้องมีสติกำกับใจจะใช้พุโทโธกำกับก็พุโทโธไปจะใช้ลมหายใจกากับก็คอยดูลมหายใจอย่านั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจมัน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์ของมันมันจะไม่มีวันสงบถ้าต้องการให้สงบนี้ต้องมีอะไรคอยควบคุมใจมีคำบากีรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือมีการดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบตามลำดับต่อไปอคำถามสุดท้ายนะเจ้าค่ะคำถามจากคุณโสมนค่ะ อยู่กับคนขี้โม้จะทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ปล่อยเขาโม้ไปเสียก็เรื่องของเขาเมื่อเรารู้ว่าขาโม้ก็โม้ไปเท่านั้นเองเราจะไม่ต้องไปเชื่อเขาแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนกับอยู่อยู่กับม้าเหา่าจะไปห้ามไม่ให้ม้าเห่าได้ยังไงถึงเวลามันจะเหา่าก็ปล่อยมันเห่าไปเราก็จะอยู่กับเขาได้ใช่ไหมเราเลี้ยงหมาเราก็รู้ว่ามันต้องเหา่าเราก็เลยไม่ค่อยไปวุ่นวายกับการเห่าของหมาใช่ไหม ก็อยู่กับคนโม้ก็เหมือนกับอยู่กับหมาเหา่าเวลาเขาจะโม่ก็ปล่อยเขาโม้ไปนั่นเองเราไม่จําเป็นจะต้องไปเชื่อเขานี่คือการอยู่กับคนอย่าไปเปลี่ยนเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนกับการอยากได้อยากจะเปลี่ยนส้มให้เป็นกล้วยอย่างนี้มันเปลี่ยนไม่ได้ ได้กล้วยก็ได้ส้มก็ต้องอยู่กับส้มไปถ้าอยากจะจะไปเปลี่ยนส้มให้เป็นกล้วยไม่ได้นล้วมันจะเครียดนจะไม่มีความสุขนต่ถ้าอยู่กับมันไปอ่ะเป็นส้มก็อยู่กับส้มไปกินส้มไปมีแต่ส้มกินก็ดีก็ไม่มีกินกิน อ, อย่างนี้มันก็อยู่กับส้มไปได้เอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาิุ